Book 2 84 8ดสิสอดีตการสี่ฝร e ่งเลือดไ่อ่านดิฉันอ่านแล้ว อักเคดเคลียสดิฉันอ่านหนังสือนิยายทั้งเรื่องแล้วอักเ e ดดิเยเล k ุกเคลีเข้าใจฟอร์ส a an n นดิฉันเข้าใจแล้วอักเคดฟอร์ดิฉันเข้าใจข้อความทั้งหมดแล้ว แอคทีทดิเยเลติกส์ฟอร์สตัตอบค o o อบที่ฉันตอบแล้วแ t คทีทเขาตอบที่ฉันตอบคาถามทั้งหมดแล้วแอคทีทอเลฟรอ่เบอร์แอนท์ที่ฉันทราบแล้ว ดิฉันได้ทราบแล้วดิฉันเขียนดิฉันได้เขียนแล้วดิฉันได้ยินดิฉันเคยได้ยินแล้ว ดิฉันกำลังไปรับดิฉันได้ไปรับแล้วแอคโฮลดเอดิฉันกำลังนำมาดิฉันได้นำมาแล้วแอคดิฉันซื้อดิฉันได้ซื้อแล้ว ดิฉันคาดไว้ว่าดิฉันได้คาดไว้แล้วว่าดิฉันอธิบายดิฉันได้อธิบายแล้วดิฉันรู้ดิฉันรู้แล้ว ขกิน